อันนี้จะเป็นประวัติ <c oughs> เกี่ยวกับพระทบริดกซึ่งเป็นการ <c oughs> บันทึกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะแล้วก็ <c oughs> มีการเก็บข้อมูลมารวบรวมมาตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่หนึ่งด้วยนะทำให้เราทราบว่าในในครั้งก่อนเนี่ยนะอ่ รัชการที่หนึ่งที่ทำพระไตรปิฎกด้วยอักษรขอมจานลงในใบลานเนี่ยพระองค์อาํานวยการทําด้วยพระองค์เองก็คือขอประชุมพระเนี่ย200กว่ารูปทั่วประเทศที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ประชุมร่วมกันทําทีา่วัดพระศรีสันเพชรที่อยุธยานะแล้ว <c oughs> เอาพระตาบิดกจากลาวจากรามันมาแล้วลอกเป็นอักษรของจา์ลงในใบลานใช้เวลาตลอด5เดือนรัชการที่ 1. ไปอำนวยการเนี่ยตลอด5เดือนทุกวันถวายอาหารเช้าในตอนเช้าถวายน้ำปณ ะ, ะในตอนเย็นนะด้วยพระองค์เองตลอดเวลา5เดือนนะพระตาบิดกฉบับอักษรของที่จา์ลงในใบลานจึงเสร็จ ซึ่งเป็นหลักฐานที่รัชกาลที่5เนี่ยเมื่อผ่านมาถึงรัชกาลที่5ได้นามาแปลเป็นอักษรสยามอีกครั้งหนึ่งนะซึ่ง <c oughs> รัชกาลที่5ก็อำนวยการด้วยพระองค์เองเอีกเหมือนกันประชุมพระ100ร้อยกว่าูปที่วัดพระแก้วนะแล้วก็ขอร้องอภิกษุทั้งหลายว่าให้เห็นแก่พระองค์และพระาศาสนาเพื่อต้องการให พระเนี่ยมีการสอนไปในแนวทางเดียวกันเพราะในยุค ข, ของท่านก็พระสอนกันไปคนละแนวแล้วนะนะต่างคนต่างสอนต่างคนต่างแนวแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าประชาชนของพระองค์เนี่ยยังไม่เข้าใจพุทธศาสนายังเชื่อผีสางนางไม้อะไรกันอยู่มีหลายความเชื่อหลายลทัทธิก็เลยอยากให้ประชาชนของพระองค์เนี่ยรู้พุทธศาสนา ก็เลยขอร้องอพระสงฆ์ในยุคนั้นที่มีความรู้ความสามารถได้มาประชุมแล้วก็ช่วยกันแปลเป็นอักษรสยามซึ่งตอนนั้นทําให้เราทราบอีกว่าพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยออกบวชเป็นจํานวนมากเหมือนกันนะมีกรมมื่นมีพระญามีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะก็เลยรวมพระที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์นี้นะแล้วก็ในบรรดาที่มีความรู้อีก มากนะในยุคนั้นนะมาช่วยกันแปลจึงได้มาเป็นบาลีสยามรัฐนะ39เล่มในปัจจุบันนะแล้วก็ทำเสร็จครบถ้วนในรัชกาลที่7คือ45เล่มนะในยุคของท่านนั้นตำํำได้39เล่มแล้วก <c oughs> ็เสร็จเป็นภาษาเราปัจจุบันเนี่ยนะในปีพศ2500 อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือรัชกาลที่5เนี่ยนะได้บอกด้วยตนเองว่ า, าพระองค์จะถนอมรักษาพระพุทธวจนะนะเราก็เลยตัดประโยคนี้มาเพราะว่าทางทางธรรมเนียบต้องการาตั้งชมตั้งชมรมที่ส่งเสริมและรักษาพุทธวจนะนะ ตอนนี้ก็ขอให้ตั้งชื่อเราก็จะตั้งชื่ออะไรนาะน ะ, ะก็เลยได้พระราชดำรัสของรัชกาลที่ห้าพอดีนะในประวัติตรงนี้น ะ, ะก็เลยตัดคำพูดของอพระองค์ท่านมานะหลวงท่านใช้คำพูดว่าถนอมรักษาพระพุทธวจนะก็เลยบอกเนี่ยชื่อชมรมนี้แล้วกันนะับเลยนะ จะนำวันนี้ไปเป็นชื่อชมรมนะในธรรมเนียบเพื่ อ, อเป็นหน่วยหนึ่งที่จะช่วยประสานทุกกระทรวงตบวงกลมในการเผยแพร่พุทธศาสนาที่จะสั่งการออกไปอย่างนี้นะแล้วก็ผู้บริหารในธรรมเนียบก็เห็นด้วยกับตรงนี้นะ <c oughs> เรื่องประวัติศาสตร์นี้ก็เลยทำให้คนเข้าใจอะไรได้ได้ลึกซึ้งขึ้นเหมือนกันนะทาให เรารู้สึกถึงความมีตัวตนจริงของพระาศาสดาว่าศาสดาเราเนี่ยเป็นมนุษย์อย่างเรานี่แหละเป็นมนุษย์จริงๆนะที่หาตัวตนได้นะชื่อสิท ธ, ธัตถะนะเป็นลูกกษัตริย์ออกบวชนะสแสวงหาความไม่ตายนะศึกษากับฤาษีโยคีทรมานกายตามแบบต่างๆนะจนกระทั่งสามารถเข้าถึงความ พ้นทุกข์จริงๆได้คือรู้อริสสัต4์นะมีอิทธิปฏิหารมากมายแต่ก็ไม่ได้ชื่นชมในอิทธิปฏิหารต่างๆนะกลับรู้สึกอึดอัดขยะกขยงเกลียดชังต่ออิทธิปฏิหารและอาเทศนาปฏิหารด้วยซ้ำนะที่พงตัดไปกับเกวัตตะ <c oughs> <c oughs> เพราะอันนั้นยังไม่ใช่ทาอันละเอียดปราณีษยังไม่เข้าถึงความไม่ตายนะพระองค์จึงสั่งสอนอริสสัต์ซึ่งเป็นวิชาความรู้ ที่จะเข้าถึงความไม่ตายได้และมีผู้มีศรัท ธ, ธาพระาศาสดามาอยู่เป็นสาวกของพระองค์เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นจำนวนมากหลายพันนะแล้วก็มีการทรงจำและสืบทอดคำสอนของพระาศาสดาเนี่ยต่อมาถึง 2,500 กว่าปีนะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ <c oughs> ที่ทำให้เราเห็นว่าคำสอนอันเนี้ย มีจริงๆมีในมนุษย์จริงๆนะและมีคนเห็นความสำคัญและสืบต่อทำสอ น, นี้มาถึง 2,000 กว่าปีหลักฐาน <c oughs> ที่ให้ดูก็ตั้งแต่เรื่องของเสาหินนโซกนะที่เป็นอักษรพราหมีภาษาประจิตเป็นต้นกำเนิดอักขระของอินเดียในปัจจุบัน <c oughs> หลักฐานในส่วนของประเทศไทยที่ลบบุรีที่เพชรบูร์ที่สลักลงในก้อนศิลาเหมือนกันซึ่งสลักปฏิจจสมุปาท ทั้งสองที่เป็นอักษปรปัลวะภาษาบาลีภาษาบาลีแตกออกเป็นอักษรอักขระต่างๆได้มากมายเป็นการทรงจำำําคําแล้วก็จะเขียนอักขระใดก็ตามอ่านให้ได้ตามสําเนียงอย่างนั้นละกันอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็ที่ อ, อัฟก า, านิสถานในถ้ำที่ จานลงในใบลาเหมือนกันใบลานเนี่ยแตกเป็นเสี่ยงๆหมดนะจนนักโบราณคดีนักภาษาศาสตร์เอามาต่อกันจนเป็นแผ่นได้แล้วก็แปลออกมาเป็นภาษาได้นะสามารถเรียงร้อยรู้ความได้อย่างประสูดหนึ่งก็คือเรื่องของการสอนอบายมุกกับข้าบดนะีซึ่งเราก็เรียนตรงนี้มาตั้งแต่ชั้นประฐมเหมือนกันนะการ ไม่ดื่มสุราเมลยัยการไม่เล่นการพนันาการไม่คบมิตรชั่วอย่างนี้นะการไม่เที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลาวิกาลการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาความเกลียดคล้านอย่างนี้นะบยมุก6 <c oughs> แสดงว่าหลักคำสอนตรงนี้มีมาต้องสอง0ันกว่าปีแล้วและข้อมูลนี้กระจายอยู่ทั่วโลก ใครไปขุดเจอที่ไหนก็จะเห็นว่าตรงกันตรงกันตรงกันหมดนะก็จะทำให้เราเห็นภาพของของทางเดินของคำสอนที่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าศา ส, สนาพุทธเนี่ยอย่าแต่งอะไรเองอย่าแต่งอะไรใหม่นะอย่าบัญญัติใหม่เพราะในสิ่งที่ค้นพบเนี่ยได้มีการจารึกว่าภิกษุทั้งหลายจากไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ ภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วนะจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอดำรงคงไว้ซึ่งอพระธรรมคาสอนของท่านนะและพระองค์ก็บอกว่าพวกเธอจะเป็นคนสุดท้ายในกัลยาณวัตรของพระองค์นะอบอกความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายอานุนเกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้นเรากอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยาศาสดาเป็นคนตั้งเป็นคนบัญญัตินั่นนี่คือหน้าที่ของาศาสดาเลยเป็นผู้บัญญัตินิรุตติคือภาษ า, าศาสดาเท่านั้นที่บัญญัติตรงนี้ได้นะ <c oughs> ส่วนคำของสาวกนั้นพระศาสดาบอกว่าถ้าเป็นคำที่แต่งใหม่หรือคำของสาวกที่พูดขึ้นเองพระองค์บอกว่าอย่าฟังด้วยดีอย่าไปเงี่ยวหูฟังอย่าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะพระองค์ตัดไว้เช่นนั้นนะทำให้เราทราบข้อมูลนะว่าในข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกเนี่ย เคยพูดอะไรไปบ้างและเราก็จะพยายามเดินตามทาตามนั้นนะ <c oughs> เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนของพระองค์นะ <c oughs> ทีนี้มาเรื่องของค่าวันเสาร์เมื่อคืนที่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าเขายกเรื่องอศิขาบทมาอีกนะแล้วก็ เขาไปไปยกในเรื่องของอัตกรถามานะมันก็เลยเป็นเป็นเช่นนั้นนะว่า <c oughs> ในที่เขาถามเมื่อข้ามวันเสาร์เนี่ย ในที่เขาถามเมื่อค่าวันเสาร์นะ <c oughs> บอกว่าท่านทั้งหลายนิทานาขาะข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วคือปาราชิกสีสังฆาธิเศสสิบสามอนิยตะสองสิกขาบทนิสกีปัจจตีสามสิบปัจจตีก้าสิบสองนะแล้วก็ปาติเทสนิยะสี่ นะถ้าใครมีเครื่องก็ดูไปพร้อมๆกันได้นะใครมี iPhone, iPod, iPad หรือมีระบบของ Android โหลดเข้ามาตอนนี้เลยก็ได้ไม่ถึงนาทีนะใช้ Wi-Fi ที่นี่นะแล้วโยมก็สามารถดูตามไปได้และทำทั้งหลายคือเสขยะข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วอธิกรณ์สมะถะเประการข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วเขาไปเอาคำนี้มาแล้วบอกว่านี่ไงมีเสกยะมีอนิยตะซึ่งคาตรงเนี้ย มันเป็นอัตกรนะถาทั้งก้อนเลยนะโดยอัตกถาโดยนี่อยู่ที่หัวข้อที่8 8ดดหนึ่งที่ในคำถามบอกว่าเนี่ยพุทธธจนะนะอยู่ในพัตบิดกนะในหัวข้อ8 8ดแปดหนะึ่งมีสิกขาบททั้งหมดสองสองเจดเขาไม่ได้แยกพุทโธจนะในหัวข้อ8 8ดดหนึ่งซึ่งว่ามันมีทั้งพุทโธจนะแล้วก็อัตกถานะ อยู่ในนั้นพร้อมกันนะ <c oughs> ในหัวข้อ881นี้ติดตามมาจากหัวข้อ880นะซึ่งเป็นคําเป็นคําของพระพุทธเจ้าแล้วก็เขาจะมาใช้คําว่าบทสรุปอันหนึ่งนะแล้วก็ใช้คําว่าคํานิคมนะจากคําว่าคํานิคมก็ต่อด้วยว่าหัวข้อ881ท่านทั้งหลายข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถ้าเราไม่แยกพุทธวจนะกับอัตถกถาเนี่ยมันจะสับสนกันตลอดเลยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตัวเลขอ227ที่ยกมาเนี่ยจะหาไม่ได้ในพุทธวจนะจะมีแต่ในอัตถกถาะนะเพราะนั้นคนศึกษาพระไตรปิฎกจะต้องแยกข้อมูลตรงนี้ก่อนว่าพุทธวจนะหรืออัตถกถาซึ่งมันจะมีปนกันอยู่ในนั้นนะแต่เขาแยกไว้ให้แล้วแหละแต่คนอ่านเนี่ยแยกไม่เป็นหรือ ไปเห็นความสําคัญของอัตกถาก็เลยคิดว่าอัตกถานั้นถูกต้องนะก็เลยหยิบยกอัตกถาแล้วเอามาขึ้นมาแสดงแค่นั้นเองออีกประเด็นหนึ่งที่จะชี้เห็นก็คือ <c oughs> ประเด็นของข้อปาจิตีอ่าหลบฝนก่อนเนาะ <c oughs> ขึ้นมาบนนี้ได้นะโยมโยมกระเถิบขึ้นมาบนนี้ได้เลยนะอืขึ้นมได้เลยนะขึ้นมา <laughs> จะได้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น มันอาจจะคู่ๆก็ได้นะอาจจะไม่ตกบอกอยากให้ฟังธรรมะใกล้ชิดอาจจะเป็นเมฆฝนที่คำรามแต่ไม่ตกอันนี้จะให้เห็นอีกหนึ่งประเด็นว่าใน ในหัวข้อในพระธรรมปิฎกเล่มที่สองนะหน้าที่628หัวข้อที่757นี่คือตัวอย่างของการบัญญัติเพิ่มของอัตตกถาที่บัญญัติอาบัติปาจิตีเพิ่มขึ้นไม่รู้กี่ตัวต้องหลายตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติแค่ว่าเตียงต่างที่มีเท้าเพียง8นิ้วด้วยนิ้วสุคตเนี่ยนะก็คือบัญญัติขนาดของเตียงต่างที่จะให้ภิกษุนั่งหรือนอน แต่ทกษาก็ไปบัญญัติว่าเตียงต่งที่คนทําค้างไว้แล้วทําต่อจนสําเร็จต้องอบัติปจิตตีนะเพิ่มอีกหนึ่งข้อแล้วนะเตียงต่างที่ตนทําค้างไว้แล้วใช้ให้ผู้อื่นทําต่อจนสําเร็จต้องอบัติปจิตตีนะทำค้างไว้ทําต่อจนสําเร็จต้องอบัติปจิตตีเพิ่มขึ้นเพิ่มปจิตตีสี่ข้อเพิ่มทุกกฎไปอีกหนึ่งข้อนะนี่คือการบัญญัติเองและอย่างนี้มีมากมายและ ตัวอัตถกาถาเองก็พูดขัดกันเองในบทสรุปเมื่อกี้บอกปัจจิตีมี92ข้อใช่ไหม้ายมจำได้นะใน92ข้อเนี่ยจะเป็นพุทธวจนะทั้งหมดถ้าตรงนี้ถูกจะต้องนับตรงนี้เข้าไปด้วยแต่อัตถกาถาเองก็ไม่นับในเวลาสรุปนะถ้าเอาแค่ประเด็นนี้อันเดียวปัจจิตีใช่ก็ต้องเป็น93 94 95 96นะ อ่าเพิ่มไปอีก4ใช่แต่กลับไปเวลาไปสรุปกลับสรุปตามพระพุทธเจ้าคือ92ข้อนี่คือความคำพูดที่ขัดกันเองของอัตถกถาแต่ตัวเองก็บัญญัติเพิ่มเองอีกในรายละเอียดแต่เวลาสรุปมาสรุปตามพระพุทธเจ้าเราจะเจอประเด็นนี้เป็นจำนวนมากเวลาศึกษาพุทธวจนะในพระไตรปิฎกไปนะเพราะนั้นถ้าเราไม่แยอกอัตถกถาออกจากพุทธวจนะโยมจะงงไปหมดจะสับสน เพราะมันจะไม่เชื่อมกันคํามันจะขัดแย้งกันนะนั้นตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่สําคัญมากที่ต้องรู้ก่อนเบื้องต้นเลยไม่งั้นทุกคนที่เวลาหยิบยกขึ้นมาอ้างเนี่ยจะอ้างอัตถกถาทั้งนั้นเลยอัตมาจึงบอกว่าที่เขายกมาอ้างนั้นเนี่ยมันเป็นอัตถกถาทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นหลักการมันต้องหลักการเดียวกันก่อนคือหลักการพุทธวจนะนะขอเป็นคําศาสดาเราอย่างเดียวนะนั้นถ้าแค่นี้ลงตัวได้ทุกเรื่องเลยหาข้อยุติได้หมด นี่ก็เลยเป็นประเด็นที่อยากให้ทราบนะแล็ถ้าใครมีอุปกรณ์เครื่องมือก็ดูได้ไปได้พร้อมๆกันถึงบอกว่าถ้าสามารถมีได้นะตอนนี้เรามออีอุปกรณ์ถูกๆทราบว่ามีจากจีนมาเนี่ยพันกว่าบาทก็สามารถมีพวกนี้ได้แล้วนะสินค้าจากจีนเข้ามานะเป็นจำนวนมากเลีอนแบบซัม u n g เลืนแบบ iPad เลยนะ อ๋ อ, อที่ตรงนั้นใช่ไหมอ๋ออ๋อ่อออ๋เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาสั่งได้แสดงว่าทางประธานมือที่ยังไม่ได้อประสานไปเดี๋ยวจะให้ปร ะ, ประสานไปกันได้อยากให้ไปถามเยอะๆจะไ ด, จะได้จะได้กระตุ้นให้เขา <laughs> สั่งเข้ามานะออ่า อ, อันนี้ก็คือตัวอย่างนะอาตมาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสงสัยเรื่องพวกเนี้ยเราก็มีข้อมูลเท่ากันทั้งหมดแหลนะน่ะ ใครสามารถไปค้นตรงไหนได้ก็เอามาดูซิเอามาบอกอย่างนี้ยนั้นข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรนะเพราะฉนั้นในเมื่อตอนนี้เรามีข้อมูลเท่ากันทั้งหมดก็ก็ช่วยกันตรวจสอบช่วยกันดูนะแลนดับแรกคือต้องแยกพุทธวจนะออกมาจากอัตถกาาก่อนนะ <c oughs> ตรงนี้ก็อ่า เป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์นะตั้งแต่เรื่องทานขึ้นมาก็เลยเล่าให้ฟังเห็นว่ามีผู้ใหม่มาพอสมควรนะจะได้ทราบไปพร้อมๆกันนะมีประเด็นอะไรที่ใครสงสัยอะไรมาเช่ น, น ม, มาตอบ <laughs> <ะ>ที่แล้วยังไม่จบประการต่างอืมที่แล้วบอกเรื่องโรกรธอืมอืมแล้วก็จบ อ, อ่าฮะขาดุคำอ๋อโล เรื่องโลกก็เป็นเรื่องของอเรื่องของในส่วนของความยินดีความพอใจในในรูปเสียงกินรสโภทภะธรรมลุ่มนะก็คืออยู่ในฝั่งของสุขเวทนาฝั่งของฉันท่าความพอใจนะอย่างนี้นั้นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยพเจ้าจะแบ่งกลุ่มเป็นอัศสสาธาอาทินวะในขันหเนี่ยเราต้องเห็นคุณประโยชน์เห็นโทษแล้วก็เห็นนิสสาระอุบายเครื่องออกไปพน้น คนมักจะม อ, มองด้านเดียวผู้เจ้าบอกมนุษย์เทวดาทั้งหลายเนี่ยจะเพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทิพย์นะมนุษย์ก็เพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสที่ประกอบด้วยมหาพุทธธาตุเทวดาก็เพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทิพย์ก็คือเห็นแต่อัสธาจึงยึดติดอยู่ในสังสารวัตรแต่ถ้าเห็นอาทีนวะเนี่ยจะถอนอุปท า, านออกจากสังสารวัตได้นะนั้นจึงให้มันเห็นอาทีนวะคือเห็นโทษแล้วจะเห็นนิสระณะ อุบายเครื่องออกไปพ้นก็คือการละนันทีคือความเพลินนะก็คือเราจะไม่เพลินกับ <c oughs> ภาวะของโลกอย่างนี้อเหมือนจะเข้าใจแต่ผมไม่เห็นเหมือนกับที่ใครต่อใครเขารู้เลย <c oughs> โลกนี่คืออยากได้ของชาวบ้าน <c oughs> เขาอยากได้นุนอยากได้นี่ตรงนั้นก็เป็นเป็นรายละเอียดของของเรื่องของความโลภมาละ ว, ว่าอ่าเป็นเรื่องของความอยากที่อยู่ในสายปฏิจจะที่หลังจากว่า ภาษากระทบแล้วเกิดความพอใจแล้วจะเกิดความอยากตามมาอย่างเงี้ยอย่างอย่างนักลงทุนเนี่ยพระอาจารย์ยนักลงทุนนี่เราถือว่าเขาโลภไหมนักลงทุนก็โลภได้แต่โลภแล้วไปฆ่าคนอื่นไหมเบียดเบียนคนอื่นไหมขโมยไหมประพฤติผิดในการไห ม, มโกหกไหมยอย่างเงี้ยนั้นมีสินห้าเป็นตัววัดหลักความเชื่อต่างๆเนี่ยในการละมาสูตรจะใช้สินสี่ตัวเป็นตัววัดว่า ถ้าทําไปตามความเชื่อนั้นแล้วการฆ่าเกิดขึ้นการขโมยเกิดขึ้นการประพฤติผิดในการมเกิดขึ้นอการโกโหกเกิดขึ้นอย่าทําตามความเชื่อนั้นอย่างนี้นั้นเราก็โลภได้แต่อยู่ในกรอบโลภอย่างมีศีลอโลภแบบมีศีล ผ, ผมฟังทีบอกว่าให้ละโลภโกรธหลงถูกไหมฮะใช่แล้วก็ <c oughs> มัดมีอง์แปดผมก็พยายามจะจับมาเออได้ยังไงถึงจะได้อ๋อ ตัวมรคแปดเนี่ยจะเป็นตัวที่เมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทําให้โลภโกรธหลงเนี่ยดับไปได้อเป็นเครื่องมือในการละโลภโกรธหลงมรคแปดยังยัง ท, ทั่วทั่วไปหรืออย่างผมอย่างเงี้ยจะรู้ไงว่าขณะเนี่ยผมกำลังโลภอยู่นะอ๋อหรือว่าผมกําลังหลงอยู่นะ อ, อ, อขณะนี้กําลังโลภอยู่ไหมก็คือรู้จกักกินดีในของที่มีอยู่หรือเปล่ามักน้อยสันโดษไหมอะไม่มีอยากมี เอ๊ะอยากมีเกินพอดีหรือเปล่าเนาะอ่าสิ่งนั้นมีหลายระดับใช่ไหมเราต้องการระดับสูงสุดเลยหรือเปล่าทั้งที่ระดับกลางระดับล่างลงมาก็ใช้ได้อย่างเนี้ยเราก็ต้องดูซึ่งพระเจ้าก็จะสอนอีกว่าให้พี่นาว่าอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับให้รายรับเนี่ยท่วมรายจ่ายเข้าไว้หลักเศรษฐกิจนะอ่าซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ตั้งแต่ตัวบุคคลจนถึงรัฐบาลเลยนะถ้ารัฐบาลไม่ให้ รายจ่ายท่วมรายรับก็จะไม่มีปัญหาในประเทศอย่างนี้แล้วหลงไหมครับห <c oughs> ลงหลงเนี่ยก็ครอบคลุมทุกเรื่องความหลงในที่นี้ก็คือความหลงว่าอสรรพสิ่งเนี่ยเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราอืมนั้นอย่างเราไปซื้อกระเป๋ามาใบเราก็บอกว่านี่กระเป๋าฉันทั้งที่กระเป๋ามันก็ไม่ใช่ของใครอันนี้เป็นความหลงละใช่ไหมมันเป็นท่าตามธรรมาชาติซึ่งมันก็จะมีการผุพังไปตาม เหตุปัจจ the He right? uh, to ัยของมันและเมื่อเราไม่เข้าใจตรงนี้จะทาให้เราเกิดความทุกข์เมื่อกระเป๋าใบนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหายขาดใช่ไอ่าเปื่อยภูพังไปเราก็จะเศร้าใจเข้าทาผมเลยพระอาจารย์อันเนี้ยไม่ใช่ของพระอาจารย์แน่นอนใช่ไม่ใช่หรอกของโยมเขาถวายพอเข้าใจครับอาจารย์ครับ แต่ก็ยังไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าต้องฝึกต้องฝึกเราะว่าคนเราไม่คงไม่ได้ทําอะไรได้สําเร็จในคราวเดียวนะก็ครูเจ้าบอกในธรรมวินัยนี้เนี่ยต้องมีการศึกษาตามลําดับมีการฝึกฝนตามลําดับปฏิบัติตามลําดับนะก็คือสามารถจะถึงอร่าผลได้ไม่ใช่ด้วยความพอใจเพียงอย่างเดียวนะ <c oughs> ผมซื้อของมาแล้วเนี่ยแล้วผมมาฟังพระอาจารย์เนี่ยผมบอกเออ ผมมีความโลภ uh huh. ผมจะแก้งไงลนะ่ะ uh, ซื้อมาแล้วใช่ไห ม, ม แ, ลแล้วเกินประมาณด้วยใช่ไ้ยเป็นหนี้บานเลยขายเลยไหมพระอาจารย์ uh, มันก็ต้องมีวิธีแก้ะนะอาจจะขายอาจจะให้เช่าอาจจะจิปาถะนะอันนี้ก็ต้อง หาวิธีแก้ทางโลกต่อไปอแล้วทางธรรมคุณแนะนำยังไงครับอาจารย์ทางธรรมต้องทําใจก่อนอ๋อทำใจก่อนเลยทําใจก่อนอันดับแรกว่าคิดพลาดไปแล้วนะไม่เป็นไรนะพระอาจารย์นะ เ, เรื่องในะที่เราไม่เราไม่พูดกันใช่<อ>ใช่ก็เริ่มตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยแก้ได้นะปัจจุบันแก้ได้ทุกเรื่องนะถ้าใครต้องการให้กรรมดีส่งผลในปัจจุบันพระเจ้าบอกว่าก็ให้ทําสมาธิแปดระดับ ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนะจนถึงเนวสัญญาณนะสัญญาญตนะนะนี่คือกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันทันทีนะต้องนั่งสมาธิบ่อยๆผมก็นั่งทุกวันและพระอาจารย์นั่งแล้วไม่เห็นจะได้อะไรเลยมีแต่หัวหน้าจะให้ผมไปไปทําที่บ้านแห ล, ละบอกว่าทําที่ทํางานาทําไม้ไปทําที่บ้านเลยดีกว่า <laughs> เดี๋ยวต้องรองมันส่งผลกัน <laughs> เวลาของการส่งผลในกรรมจะมีหลายระดับเรียกว่าวิบากของกรรมมี3ระดับที่ผู้เจ้าบอกเป็นสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมวิบากในทิฏฐธรรมคือส่งผลในปัจจุบันทันทีวิบากในกุป ป, ปัจ ช, ชะนะคือเวลาถัดมาและอัปป ะ, ะปะระ ย, ยะเวลาถัดมาอีกนะ <c oughs> นั้นตรงนี้ผู้เจ้าจะเป็นคนทราบดีที่สุดว่าเราทําแค่เนี้ยจะส่งผลเมื่อไหร่ส่งผลอย่างไรนะนี่เรียกว่ายานในการรู้ความจําแนกกรรม ซึ่งพระเจ้าบอกว่าตรงเนี้ยพระองค์เนี่ยรู้ผู้เดียวนะคนอื่นไม่ต้องเลยนะเป็นเรื่องที่อถ้าใครเข้าไปอ่าคิดวิตกเรื่องตรงนี้แล้วจะมีส่วนแห่งความวิปลาสนะเป็นหนึ่งในอจินไตสี่ข้อคื อ, อพุทธวิสั ย, นะ ว, สยวิสัยของพระพุทธเจ้าวิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกสนะี่เรื่องอยังมีอะไรนะเช่น <c oughs> ก่ับเรื่องหรือพูดเกี่ยวกับคาว่าติดสุขไหครับติดสุขแหรอก็อาจจะไม่ได้ใช้บทพันชนะตรงนี้แต่โดยความหมายและเหมือนกันก็คือมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็คือเพลิดเพลินต่อรูปเสียงกินรสไงทำให้ติดกับสิ่งนั้นเพราะว่าเห็นสิ่งนั้น เ, นเป็นอาสาทะเห็นโดยความเป็นอาสาทะเห็นแต่รสอร่อยของมันเพราะนั้น ขณะที่เขาเพลินผู้เจ้าบอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปท า, านความเพลินนั่นแหละคือเธอยึดเห็นนะไม่ได้ใช้ควาว่าติดสุขแต่บอกเพลินแล้วอีกพระสูตรหนึ่งเพลินคือยึดอ่าเนี่ยเป็นูดถึงในในปัจจุบันนี้ก็จะมีาอาจารย์หลายท่าน huh. ใช่ฮะ huh. จะพูดถึงผู้ปฏิบัติบางท่านอ uh huh. ่าให้บอก <c oughs> ติดสุกอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะนะอ๋อ พูดพระองค์ท่านเคยตัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรมีอยู่เหมือนกันคือพูดแต่ว่าติดสุขติดสุขต้องบอกวิธีแก้เขาด้วยสิใช่ไหมเห็นนะเวลาพูดเนี่ยมักจะพูดระวังติดสุขแล้วแล้วแก้อย่างไงอ่ะไอ้คนก็กลัวเลยเลยพอจับคําพูดนี้ก็เลย<อ>กลัวแล้วก็ไม่รู้จะไปทําอะไรมักจะพูดคํานี้ในเรื่องของสมาธิอะระวังติดสุขคนก็เลยเกียดสมาธิไม่ทําสมาธิ แต่สมาธิเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกต้องทํามากจเจริญมากนั้นพระเจ้าบอกแล้วพระเจ้าจะบอกวิธีแก้ด้วยว่าวิธีแก้ก็คือเธอนั้นต้องตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5้าในองค์ฌานนั้นๆหรือในสมาธิขันนั้นเห็นไหมพระเจ้าเนี่ยบอกหมดบอกรายละเอียดไม่มีการกักอะไรไว้น่ ะ, อะบอกเลี้ยงอย่าง <c oughs> คําว่าติดอันนี้อันหนึ่งที่พระเจ้าพูดในเรื่องของสมาธิก็คือพระองค์ตัดสั้นๆว่า ให้เธอเนี่ยไม่ตั้งบิญญาณของเธออย่าให้ฟุ้งไปในภายนอกและอย่าตั้งสยบอยู่ในภายในแล้วก็ลุกจากที่ประทับหลีกไปภิกษุทั้งหลายก็ไม่เข้าใจไปถามพระมาหากัจจานะขอให้อธิบายเพิ่มขึ้นหน่อยพระมาหากัจจนะอธิบายแล้วนะก็บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อคําของตัวเองนะให้ไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกทีนะพระองค์บอกอย่างไรให้จําอย่างนั้นไม่ใช่จําคําตัวเองนะ ปิษุนทั้งหลายก็เลยไปถามผู้เจ้าทีผู้เจ้าก็รับรองว่าเออถ้าเราตอบจะตอบอย่างนี้เหมือนกันก็คือการไม่ฟุ้งไปในภายนอกเนี่ยก็หมายถึงว่าเราเนี่ยจิตของเราอย่าฟุ้งไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ต, ต่างๆนะส่วนการไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในก็คืออย่าเพลินต่ออัศธาของปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานจตุตฌานอันนี้ก็จะเรียกว่าติดสุขก็ได้นะถ้าภาษา บ้านของเราอย่างนี้นะนั่นคือพระเจ้าบอกอย่าตั้งสยบในภายในนะก็คือเป็นสุขในภายในเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวต้องแยกประเด็นอีกนะว่าสุขนี้ไม่ควรกลัวเพราะฉะนั้นเวลาขู่คนอื่นว่าไอ้ระวังติดสุขนะนี่แสดงว่าไปขู่ให้เขากลัวซึ่งพระเจ้าบอกเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรทำมากจเจริญมากในพระสูตรที่บอกว่าบุคคลควรวินิจฉัยในความสุขสุขใดที่ควรกลัวคือสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส แต่สุขไม่ควรกลัวคือสุขอันเกิดจากเน่ฆ amma ชันหนึ่งสองสาเห็นไห น, ะนี่พอเราไม่ยกคําศาสดาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดข้อผิดพลาดทันทีนะดันั้นสาวกเนี่ยต้องจริงต้องพูดคําศาสดาทน่นี้เมื่อไม่ <c oughs> ไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในก็ต้องดูว่าคนไปเข้าใจผิดอีกว่าตั้งสยบอยู่ในภายในคือทําสมาธิมากกสิไม่ใช่ต้องไปดูบทพัฒนารายละเอียดอีกคนคนนั้นเพลินต่อ อัตสาธะของสมาธิเพลินต่อรสอร่อยในสมาธินี่เรียกว่าติดแต่ถ้าคนนั้นนั่งนานแต่ไม่ได้เพลินต่อรสอร่อยของสมาธิมีสติสัมปชัญญะอยู่คอยดูการเกิดการดับความนานนั้นไม่ได้ถูกเรียกว่าเพลินหรือยึดติดนี่คือประเด็นแตกต่างเข้าใจไหมเนี่ยคือความลึกซึ้งที่เราเวลาเราอ่านเพลิ น, นปุ๊บเราจะตีไปแบบหนึ่งตีไปแบบโน้ น, แบบ น, นแบบนี้บ้างต้องค่อยๆเก็บเก็บพิณา จรงว่าคำพุทธเจ้าเนี่ยอ่านต้องตั้งใจอ่านแล้วต้องค่อยๆแล้วมันก็อยู่ที่ภูมิธรรมของแต่ละคนด้วยว่าพอภูมิธรรมสูงขึ้นมาอ่านพระสูตรเดิม <c oughs> ก็จะได้ความลึกขึ้นอีกได้ความลึกขึ้นอีกนี่คือลักษณะของคำพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลคุตระนั้นคำพุทธเจ้าเนี่ยฟังซ้ําได้ฟังซ้ําได้เรื่อยๆเราจะเห็นว่าเอ๊ะเราได้ความลึกซึ้งขึ้นลึกขึ้นอี ก, ล, ก, อกลึกขึ้นอีกเรื่อยๆนะอ่า ขอเข้าใจนะโยมนะข้พอพเ จ, จ้าพระอาจารย์ครับ<ช>เมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์บอกว่า <c oughs> ที่อธิบายเพิ่มเติมว่นขนขาเรื่องการผลของธาตของบุญนะฮะทีนี้มีอยู่ตัวว่าถ้าเราทําทานด้วยนอบน้อมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีโภคะมากถูกไหมฮะทีนี้เราเราถ่ายทอดไปเนี่ยถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนแปลตไม่ใช่เปล่าให้ความหมายโภคะเพิ่มเนี่ยเช่นสมมติว่าอถ้าคุณทําอย่างนี้แล้วว่าให้ทานด้วยความนอบน้อมความเคารพแล้วเนี่ยคุณจะได้ร่ารวยบ้างครั้งแน่นอนเลยเป็นสตีอย่างเงี้ยถือว่าเราผิด วัจนะตัวนี้ไหมฮะเราขยายความว่าบางคนก็ไม่รู้จักว่าโภคะแปลอะไระะแต่บอกให้คุณร่ารวยเป็นสถรีแน่นอนแหละถ้าคุณทาแบบเนี้ยถามว่าอย่างเนี้ยจะได้ไหมครับ <c oughs> ก็คือคือได้แต่ให้เราบอกว่าอ่าถ้าถ้าบทวาจนที่ถูกต้องเนี่ยกลับไปดูที่คําพระเจ้าอีกทีนะอ่าคือเราให้ยืนยันในพระสูตรในคําพระเจ้าแต่โดยความหมายเนี่ยเราจําว่าอย่างเนี้ยนะอ่า แล้วก็แป้เราแปลความคำว่าโภคะเนี่ยโภคคส่วนมากคนไม่รู้เยอะนะเราก็แปลเลยเนี่ยโภคค่าแปลว่าทรัพย์สมบัตินะแล้วก็แปลร่ารวยมีเงินทองแก้แหวงเงินทองแน่นอนเลยเพราะนั้นทำทานให้มากได้อยู่ตรงนี้ก็ได้เพราะโภคะในภาษาไทยก็คือโภคทรัพย์เนี่ยโภคทรัพย์ซึ่งภาษาไทยก็จะกินความกว้างมากคําว่าโภคทรัพย์ครับมีการขยายความก็ถืว่าไม่ผิดเราเราถ่ายทอดได้แบบนี้ถูกไ้มฮะถ่ายทอดได้อยู่แต่แต่ก็บอกว่าอ่าอันเนี้ยเป็นบทพจน์นาของเราอย่างเนี้ยอ่า ซึ่งแปลคาจากโภคะมาใช่ใช่นี่นะครับอาจจะลงรายละเอียดตรงนั้นเพกนิดนึ่งครับผมนะอี่คําถามต่อเนื่องนะตะกี้บอกว่าเราปฏิบัติสมาธิใช่ไหมฮะหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่าไปแล้วผลมันจะออกมาเองถูกไหมฮะใช่ถ้าเกิดว่าเราทําบุญอย่างนี้มากๆพอเรานั่งนี้ไปผลในที่มั่งคั่งร่ารวยเนี่ยมันจะเกิดไหมฮะอ๋อเกี่ยวกันไหมฮะเกี่ยวกันไหมครับเกี่ยวด้วยสมาธิเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดโภคาซั์ได้ด้วยซึ่งสมาธิเนี่ยจะแตกลูกออกไปกว้างกว่าเรื่องของทานนีก ใน <N ain> ตัวของสมาธิเองก็จะ <ใน S 2> ทำให้เกิดโพกกระซย์ด้วยใช่ใช่โอครับผมเะนั้นเหตุปัจจัยของการได้โพกกระซั์เอกลัปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิติยศนะมีคนรักมากนะตรงเนี้ยผู้เจ้าจะบอกในเรื่องของการมีสินดีไม่เห็นนางจากฌานคือสมาธิประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาให้สุญญากลาวัตงอกงามนี่คือสี่เหตุปัจจัยของการได้มาตรงนี้ของสมาธิโดยตรงใช่ครับผมขอบคุณครับ เช่นของปัจิกาสมุสบาทครับที่พระองอธิบายว่าพอมีอวิชชาเป็นปัจัยจึงมีสังขารทั้งหลายครับแต่พอพ่องค์ตัดต่อก็จะตัดว่าพอมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณครับแล้วพอพารณาต่อไปวินญาณนามรูปสัาญาณผัสสะวิทนาตัญหาอุปทานพบชาติก็ไม่มีคําว่าทั้งหลายครับคือคําว่าสังขารทั้งหลายกับสังขารนี้เหมือนกันไหมครับแล้วถ้าแตกต่างแตกต่างกันยังไงครับ ก็คือตรงนี้ก็จริงๆต้องอฟังปฏิจจภแผนนี้จะเกิดอธิบายไว้เยอะหลายครั้งพอสมควรนะอันนี้จะรวมภาคหนึ่งภาคสองนะของทั้งปี <c oughs> สังขารทั้งหลายเนี่ยคือตัวขันห้าทั้งหมดสังระบบสังฆตะทั้งระบบปรมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกัาเรตเดชานเปลดวิสัยก็คือทั้งหมดคือขันห้านะ ท่ น, นี้พอลงมาเนี่ยไม่มีสังขารทั้งหลายนะเพราะว่าต้องอธิบายโดยการแยกการทํางานระหว่างวิญญาณกับ น, นามรูปสี่ตัวนะขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะสี่ตัวเป็นนามหนึ่งตัวเป็นรูปนะดึงวิญญาณมาตัวหนึ่งเหลือสี่ขันสามตัวเป็นนามอีกหนึ่งตัวเป็นรูปถูกต้องไหมห้าตัวจะเรียกว่านามรูปก็ได้นะ สี่ตัวก็เรียกว่านามรูปได้เพราะมีนามสามรูปหนึ่งห้าตัวก็มีนามสี่รูปหนึ่งะแล้วแต่การแบ่งกลุ่มธรมมธาตุทั้งหมดมีขันห้ามีคนถามพระเจ้าว่าธรรมธาตุทั้งหมดที่เราหลงยึดอยู่เนี่ยมีกี่อันพระเจ้าบอกมีแค่ขันห้าถามว่ามีอย่างอื่นอีกไหมบอกไม่มีละจบแค่ขันห้าให้ทราบว่าเรามีแค่ขันมีปัญหาแค่กับเรื่องขันห้านะในขันห้านี้มีนามสี่มีรูปหนึ่งนะให้ทราบอย่างนี้แล้วในนี้ ทั้งหมดทั้งห้าตัวเนี่ยจะเรียกว่าสังขารทั้งหลายแต่เวลาสังขารต่อมาปุ๊บจะเหลือสี่นะก็คือรูปหนึ่งนามสามนะเพราะดึงวิ ญ, ญญาณออกมาแล้วหนึ่งตัวนะพระเจ้าจึงบอกนามรูปเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณแล้วก็วิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนะนี่คือหลักการทํางานของมันว่าวิญญาณเนี่ยจะวนไปในขันทั้งสี่นะสังขารตัวนี้คือไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งที่เป็นสังขารตัวเดียวในขันห้าใช่ไหมครับไม่ใช่นะ เลยั้งใหสังขารเป็นคําที่กว้างใช้ได้เยอะสังขารเนี่ยวิญญาณก็สังขารก็ใช่นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอันถูกเรียกว่าสังขารได้หมดคือสังคตธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้อะไรมีการเปลี่ยนแปลงได้ปรับปรุงตัวมันได้เนี่ยนะจางคลายได้เสื่อมได้ถูกเรียกว่าสังขารทั้งหมดหรือเรียกว่าสังคตะ สังคตธรรมทำที่ถูกปรุงแต่งได้ธรรมชาติทั้งห้าทั้งหมดนี้ถูกปรุงแต่งได้หมดทั้งหมดจึงถูกเรียกว่าสังขารก็ได้ อ, อแล้วในบางประจิการสมุทบาทครับที่ไล่สายเกิดดับตั้งแต่วิญญาณกับนามรูปครับเพราะว่าวิญญาณดับนามรูปจึงดับแต่พออธิบายตอบ ก, ก็กลับอธิบายย้อนกลับเป็นนามรูปดับวิญญาณดับเพราะเหตุนี้ไหมครับที่ไล่ย้อนกลับไปกลับมาแค่วิญญาณกับนามรูปก็เพราะว่าสังขารก็คือนามรูปใช่ไหมครับ ที่ไล่ย้อนกลับไปวิญญาณกับนามรูปเพราะว่าต่างคนต่างอิงอาศัยกันเกิดขึ้นนะการเกิดหรือการปรากฏของวิญญาณกับนามรูปไม่ได้เหมือนกับว่าแม่คลอดลูกออกมาอย่างนี้แต่เป็นการเกิดโดยการอิงอาศัยกันเหมือนไม้สองกำพิงกันหรือแสงกระทบกับฉากอย่างนี้นี่คือการปรากฏขึ้นของวิญญาณและการปรากฏขึ้นแห่งนามรูปเป็นการอาศัยกันเกิดขึ้นเพราะนั้นต่างคนต่างจึงอิงกันไปกันมา นั้นสายปฏิจจะบางสายจึงสุดแค่วิญญาณกับนามรูปแล้วบอกว่าเอานามรูปเป็นเหตุได้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นเหตุได้เกิดนามรูปยันกันไปมาแค่นี้ออืขออีกคำถามสุดท้ายครับอที่พระพุทธองค์ตัดเรื่องถ้าเธอเพิจารณาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วก็บอกว่าอริยาสาวกนี้เราเรียกว่าย่อมทําให้พินาศย่อมไม่เกาะย่อมละทิง้งย่อมไม่ถือมัน่น ย่อมเลียยลายย่อมไม่รวบรวมเข้าไว้ย่อมทําให้มอดย่อมไม่ก่อให้ลุกโพงขึ้นครับแต่พอพูดถึงพระอรหันต์ที่บอกว่าพอกิจเสร็จแล้วก็จะไม่ยุบไม่ก่อทั้งคู่ซึ่งการที่ไม่ไม่ทําให้ลุกโพงเนี้ยหมายถึงเป็นวิภาวะตัณหาหรือเปล่าครับแล้วถ้าใช่หมายความว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่สามารถละวิภาวะตัณหาได้ใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่ เพราะในนี้ไม่ได้ไม่ได้มีคําว่าวิพัฒหาเลยนี่นะเราไปเติมเองนะวิตัฒหาเนี่ยเป็นประเด็นที่มีแต่หัวข้อแต่ไม่มีรายละเอียดนะท่านผูธธ้ทาทก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าเออพระพุทธเจ้าไม่เคยมีพระสูตรเรื่องวิพัฒหาเลยแม้แต่พระสูตรเดียวมีแต่พระสูตรวิพัฒหาที่บอกหัวข้อแต่ไม่มีการบอกรายละเอียดเหตุเพราะว่าถ้า พูดละเอียดเกี่ยวกับวิพวตัญหาคํำผู้เจ้าจะขัดกันเองทันทีอย่างนี้ผู้เจ้าก็เลยไม่พูดละเอียดของวิพัฒนตัญหาไว้จึงให้ละพระวตัญหาอย่างเดียวพอมันก็หลุดพ้นได้แล้วนะวิพวตัญหาจะถูกละโดยอัตโนมัติของมันเองนะจึงไม่มีพระสูตรเกี่ยวกับการให้ละตัววิพวตัญหาในรายละเอียดเลยอย่างนี้นั้นเราไม่ต้องสนใจเรื่องวิพวตัญหานะตรงนี้ <c oughs> ของตัวพระอรหันต์ก็คือ เมื่อพระลาหนเนี่ยละตัณหาคือความอยากในการสแสวงหาพบหรือการสร้างพบได้แล้วเมื่อหลุดแล้วเป็นพระลาหนแล้วท่านก็ไม่มีความอยากในการที่จะเข้าไปยุบไปก่อไปคว่างทิ้งไปถือเอานะทั้งคู่ทั้งสองอย่างนะนั้นก็คือพระลานปล่อยขันห้าเป็นธรรมชาติของมันเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีความอยากที่จะไปไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับมันอย่างเงี้ยเพราะอุปทานหมดแล้วแต่ถ้ายังต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันก็แสดงว่ายังมีอุปทานเหลืออยู่อย่างเงี้ยนั้นตรงนี้ก็ <c oughs> เป็นผลของการปฏิบัติจากพระเสะที่ต้องยุบไม่ก่อขว้างทิ้งไม่ถือเอาทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองทำให้มอดไม่ทำให้ลูปโลงแล้วจะได้ผลตรงนี้ เมื่อได้ผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยุบก็ไม่ยุบเก่อก็ไม่กาะคว่างก็คว่างทิ้งก็ไม่คว้างถือเอาก็ไม่ถือแต่เป็นอันว่าคว้างทิ้งแล้วดำลงอยู่ก็คือพผู้เจ้ญญายืนยันอีกทีนะึงต้องคว้างทิ้งแล้วถึงจะดำลงอยู่นะนั้นถ้าใครบอกว่าอไม่ต้องทําความเพียรเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะซึ่งจะทําให้คํำผู้เจ้ามันขัดกันนะพระเจ้าในในวิมุต t นี้สติดับไปไหมครับสติมีการเกิดดับได้ถูกต้องไหมครับตัต่อไว้กับอชิตะอยู่แล้ว ถ้าโยมไปเจอพระสูตรที่พระเจ้าตัดกระมัดอชิตะอชิตะถามพระเจ้าว่าสติและปัญญาดับไหมพระเจ้าบอกอชิตะสติและปัญญาดับถ้าดับแล้วเป็นวิมุตต์ไหมไม่ใช่เป็โ ย, ม, ยมต้องรู้ว่าวิมุตต์คือไม่เกิดไม่ดับเกิดไม่มีเสื่อมไม่มีดับไม่มีเพราะนั้นคุณสมบัติพระสูตรเนี่ยต้องต้องแน่นพอฟังปุบ๊บมันจะลิงก์ได้เลยเฮ้ยโอ้อย่างนี้สติปัญญาก็เป็นสังฆตะไม่ใช่อสังฆตะ เนี่ยมันจ ต, ติ<ด>ก็อยู่ในขันห้าใช่ไหมครับถูกต้องเป็นส่วนส่วนไหนในขันห้าครับเป็นส่วนไหนในขันห้าเคยวิเคราะห์ให้แล้วนะโยมเราไปถามใครไม่มีใครตอบได้หรอกตรงนี้ถ้าไม่ทราบผู้ทศนะเาก็สุดตรงนี้นะอ่าจะตอบดดโดยผู้ทศนะไม่ได้นะฮะ <c oughs> คือเดี่นนะเดี่นนะลองตอบให้โยมก็ตรงนี้นิดหนึ่งก่อนว่าเอ่า <c oughs> สติเนี่ยพระจะสงสัยกันมากว่ามันคือส่วนไหนในขันห้านะท่านี้ จะต้องใช้หลายพระสูตรนะโยมลองดูว่าพระสูตรที่พระพุทธเจ้าอธิบายการหลุดพ้นของพระสารีบุตรด้วยพระองค์เองว่าพระสารีบุตรเนี่ยเข้าสมาธิตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงสัญญาเวทิตานิโรธนะแล้วสารีบุตรมีสติออกจากสมาธิมีสติเข้ามีสติออกมีสติเข้าแล้วจิตก็หลุดพ้นนะแสดงว่าสติยังมีในสัญญาเวทิตานิโรธถูกต้องไหม เพราะมีสติเข้าออกสัญญาเวทิษยโยมต้องทราบอีกประสูตรหนึ่งว่าที่พระเจ้อาอธิบายสัญญาเวทิตานิโรธว่าเป็นสมาธิที่ดับอะไรดับสัญญาดับเวทนาได้อีกสองขันซึ่งในอารูปเนี่ยดับรูปได้แล้ว1ขันอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่อากาศาใช่ไหมแล้วสัญญาเวทิดับเวทนาดับสัญญาได้อีกสองขันรวมแล้วเป็นดับสขันถูกต้องไหมขันมี5แสดงว่าเหลือสองคือวิญญาณกับอะไร สังขารถูกต้องอ่านะจำอันนี้ไว้ดีๆนะในสัญญาเวทิตจะเหลือวิญญาณกับสังขารนะแล้วในพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ที่ภาษาลิบุตรเข้าสัญญาเวทิตแล้วจิตหลุดพ้นด้วยการที่มีสติเข้ามีสติออกแสดงว่าในสัญญาเวทิตยังมีสติถูกต้องไหมครับเอาไปทีละอันนะทานนี้ไปดูอีกกลับมาดูพระสูตรที่พระเจ้าตัดกับอาชิตา อาชิตะถามว่าสติปัญญาเนี่ยดับไหมผู้เจ้าบอกดับอ้าวดับแสดงว่าไม่ใช่อสังคตะแน่นอนนะกลับมาเป็นสังคตะสติปัญญาดับเมื่อนามรูปดับเห็นนะแสดงว่าสติปัญญาอยู่ในนามรูปไม่ใช่วิญญาณถูกต้องไหมอ่าเมื่อกี้เหลือ2ขันแต่สติยังมีอยู่แต่ไม่ใช่วิญญาณ น, นั่นคือสติคือสังขารอ่าแค่นั้นเองแกะทีละอันทีละอันทีละอันปั๊บเนี่ย นี่คือการตอบโดยพุทธวจนะนะเนี่ยแหละลักษณะอย่างนี้คือผมมีความสงสัยว่าสติน่าจะในวิญญาณครับเนื่องจากว่าในอานาปนสติครับคือผมไม่เข้าใจว่าในอนาปนสตินี่หมายถึงว่าวิญญาณกําลังเกาะอยู่กับรูปขันเพียงแค่สองท่านหรือเปล่าครับแล้วว่าพระพุธองตักว่าเรากล่าวว่าอนาสติมีอยู่ในบุคคลที่ไม่มีสติลืมหลงครับออืก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นวิญญาณหรือเปล่าครับเออไม่ไม่ใช่ พระสูตรนั้นพระเจ้าบอกว่าเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงนะการรู้ลมหายใจเนี่ยนะมีไม่ได้นะแก่ผู้มีสติอันลืมหลงคนขาดสติรู้ลมหายใจไม่ได้ถ้ารู้ลมหายใจแสดงว่าคนนั้นมีสติการรู้ลมหายใจพระเจ้าจึงยืนยันว่าผู้นั้นมีสัมปชัญญะมีสติซึ่งตรงเนี้เอามาเทียบไม่ได้เพราะว่า การอธิบายตรงนี้หลงมาไม่รู้กี่ชั้นแล้วหลงมาตั้งแต่วิญญาณส่วนตัวที่เรากําลังจะพูดนี่มันเฉดเฉดกับวิมุติแล้วมันกําลังจะเข้าวิมุติแต่โยมเอามาเปรียบเทียบกันนั่งรู้ลงหายใจตรงนี้โอ้โหมันผ่านการหลงมาไม่รู้กี่ชั้นแล้วใช่ไหมอันนี้มาเทียบไม่ได้ต้องเทียบ <ใน S 2> ตรงนนนาประนัสติกก็ยังมีสังขารอยู่ใช่ไหมครับมีสิมีเพราะญญญาทุกตัวก็เป็นสังขารหมดอยู่แล้วไม่ได้ก่นะอนเฉพาะแค่ในนามรูปใช่ไหมครับอ่าใช่ทุกตัวเนี่ยถูกเรียกว่าสังขารได้หมด สังขารนี่มันถูกปรุงแต่งมาหลายชั้นมากนะสติและปัญญาดับไหมผู้เจ้าบอกดับสติปัญญาดับเมื่อนามรูปดับนามรูปดับเมื่อวิญญาณดับอันนี้ผู้เจ้าจะแยกนามรูปกับวิญญาณมาไล่ดับทีละอันนะเพราะนั้นสติปัญญาจะอยู่ในนามรูปนะเมื่อนามรูปดับนะสติปัญญาจะดับและนามรูปจะดับเมื่อวิญญาณดับอย่างนี้นั่นคือสติ ปัญญาไม่ใช่วิญญาณแน่นอนเพราะว่าวิญญาณดับตัวสุดท้ายใช่ซึ่งสติปัญญาถูกดับเมื่อนามรูปดับนะและนามรูปจะดับเมื่อวิญญาณดับเห็นนะอ่าเดี๋ยวนะหนึ่งนี้ ด, ดีจะชัดเจนมากเลยนะอ่ฮะเช่น กดแช่นิดหนึ่งฮัลโหลค่ะเออเรื่องอั น, นิสงของการให้ทานนะคะพอดีว่าอยากจะสอบถามว่าในกรณีที่เราใส่บาทนะคะก็คือให้ให้ด้วยมือ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นการให้ด้วยมือ แต่ในกรณีที่เรานำอาหารจำนวนมากขึ้นไปถวายด้านบนนะคะเราไม่ได้ประเคนด้วยด้วยด้วยตนเองใช่ไหมคะอันนี้อันนี้สงจะแตกต่างกันไหมคะเพราะว่าอยากจะสอบถามเพราะว่าที่บ้านก็คือจะต้องทำมาใส่บาตรด้วยแล้วก็เวลาถ้าเราอยากจะเออเอาไปประเคนข้างบนก็คือเราไม่ได้ประเคนด้วยค่ะในอยากทราบอันนี้ค่ะก็คืออย่างนี้การให้เนี่ยผู้เจ้าบอก อันหนึ่งพิสูจน์ดกลืนอาหารที่เขายังไม่ให้ล่วงช่องปากเว้นไว้แต่น้ําและไม้ชําระฟันเป็นปาจิตตีอาหารที่จะกลืนล่วงลําคอต้องได้รับการให้ก่อนการให้นั้นจะเป็นการให้ด้วยวาจาหรือให้ด้วยกายก็ได้นะซึ่งพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้ฟิกไปว่าต้องให้ด้วยกายอย่างเดียวเท่านั้นให้ด้วยวาจาก็ยังสําเร็จประโยชน์ใช่ไหมอ่าแล้วเจตนาเป็นกรรมโย ม, มีเจตนาปุ๊บเนี่ยคือสําเร็จประโยชน์แล้ว นะทะนี้สมมุติว่าถ้าโยมจ ะ, ะให้บ้านให้ที่ดินโยมยกมาไม่ได้โยมก็กล่าวด้วยวาจามอบให้หรือว่าอาหารเป็นจำนวนมากเวลาโยมอาจจะไม่เคยเจอการประชุมพระประมาณ7 0 0ด0 0พันะอาหารมาประเกศโอ้มันมากจะทำไงก็ใช้การกล่าวถวายว่าอาหารทั้งหมดเนี่ยขอมอบกับภิกษสุสงฆ์นะอย่างนี้ก็เพื่อเพื่อความสะดวก ไม่งั้นเนี่ยนั่งประเคนกันเนี่ยจานวนมากเนี่ยโยมเราเคยทําแล้วละ่ะนะสิบเอ็ดโมงก็ยังจะไม่เสร็จเลยมันจะได้ฉันไหมเนี่ยนะป้าไปสองสามชั่วโมงมันนานมากนะอา่าแล้วถ้าจะประหยัดเวลาอีกนิดหนึ่งก็คือจะเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยถ้าคนมากกว่านี้มากๆเรา ก, ก็จะพิาณาเป็นบุฟเฟ่ในบางคราวที่วิสาขะมาฆะอะไรอย่างนี้นะ ก็จะได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเชิญครับพระอาจารย์ครับเกโอกาสครับมีอ่านเจอเพื่อสูตหนึ่งแต่จําไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นสั้นๆแล้วรู้สึกชอบอะครับอาจจะอยากจะรบกวนพระอาจารย์อาจจะช่วยขยายความหรือว่าแสดงธรรมเพิ่มเติมอะครับที่ว่าประมาณว่า พระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรนะครับกิเลสหรือว่าความเกิดเนี่ยมันเกิดตรงไหนมันขันมันมันเกิดในขันไหนเนี่ยเวลามันดับเนี่ยมันจะดับตรงนั้นนะครับอ่ า, าใช่นะครับอาจารย์มันมีสูตรนี้พระสูตรนี้อยู่ไหมครับอ๋อเวลาดับเนี่ยมันจะดับตรงนั้นถ้ามันเกิดตรงไหนมันจะดับตรงนั้นอืมมีมีมีคล้ายๆอย่างนี้อยู่ครับอืม แล้วก็มันจะมีอีกพ้นสุดหนึ่งที่ว่าอได้ฟังที่พระอาจารย์เทพด้วยกับในซีดีด้วยที่ว่าเว<อ>เราจะมีกายเราเนี่ยเป็นที่สุดรอบของเวทนาอซึ่งมันเป็นความดับเหมือนกันแต่อันนั้นพอไปฟังซีดีที่พระอาจารย์เทศจะเหมือนกับว่ามันเป็นวาระสุดท้ายที่ที่คนกําลังจะตายอีพระอาจารย์บอกว่ามันจะมีสมาธิถ้าจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยมันจะมีต้องมีสมาธิมากๆเราจะมีกายเราเป็น ที่สุดรอบของเวทนาอันนี้คือเป็นการดับเหมือนกันใช่ไหมครับป้าอาจารย์ผู้เจ้าตรันนั้นเป็นเป็นแยกเป็นสองอย่างว่าอามีเวทนาเป็นที่สุดรอบของชีวิตนะว่ามีกายเป็นที่สุดรอบก็คือกายแตกทําลายแล้วก็แต่ยังเหลือว่าชีวิตเนี่ยจะปล่อยไหมอุปทานเนี่ยจะปล่อยจากกายนั้นไหมอันนี้ก็ถ้าปล่อยปั๊บก็คือมีชีวิตเป็นที่สุดรอบอีกทีหนึ่งอย่างเนี้ยอ ส่วนเกิดตรงไหนดับตรงนั้นนี่ก็เรื่องของผัสสะก็ได้นะเวลาเหตุเกิดของทั้งหมดเนี่ยเกิดเพราะผัสสะถ้าเราจะดับก็ดับที่ผัสสะใช่ใช่แล้วครับตรงนี้แะครับอาจารย์เพราะว่าเกิดจากหูตาจมูกลิ้นกายใ จ, ใจ <c oughs> มันเกิดตรง5 <c oughs> ช่องทางนี้ใช่ไหมครับเวลาจะดับก็คือดับตรงนั้นก็ไปดับที่ตรงนั้นไปทําความเข้าใจที่ตรงนั้นนี่ครับว่าผมว่าจะขอความโอกาสพระอาจารย์ตรงคําว่าดับเนี่ยครับก็คือทําความเข้าใจตรงนั้นทําความเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วเห็นสัจจความจริงว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่ใช่ของใครก็จะถอนอุปทานความยึดมั่นได้ก็นะคือการดับเอาอการดับอุปทานดับอุปทา น, ทานคือเห็นอริสสัจของมันเห็นความจริงของมันนั้นอริสสัจสีเนี่ยคือสัจจของของปลอมนั่นเองเป็นความจริงของของปลอมขันห้าคือของปลอมเนี่ยมันมีสัจจความจริงอย่างนี้คือเกิดขึ้นเสือเส่อมเสื่อมเรื่อยๆแล้วดับเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงอย่างเนี้ย คุณครัาบาอาจารย์เดี๋ยวเตรียมไปสันนะ <laughs>